แล้วสืออึกเสืออื่นพูดกระอึกกรากออกมาว่าเอาบันไดลงจากเรือนแก้วให้ใครเอบันไดลงจากเรือนแก้วแล้วจันทร์ก็ดิ้นทุรนทุรายเพื่อนๆนช่วยกันจับตัวจันทร์ไว้แล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งโทรไปบอกคนที่โรงเรียนสักผัก